มาตังค่าจริยามาคิดดูว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์สั่งสมบุญกุศลมาหาประมาณไม่ได้ตลอดระยะเวลาร่วมอนัต t h ทั้งกายวาจาและใจก็ยก็20อสงไขา์าัย 99,999 กกลับมาแล้วถึงอย่างนั้นก็ตกลงไปเกิดในในอะไรบ้างเกิดเป็น กระเบือเกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นลิงเป็นต้นเนี่ยนะเกิดเป็นช้างนถ้าในนี้มีอะไรนะมีพระเรื่องพระเตมีใบอยู่ด้วยก็ต้องก่อนหน้านั้นก็ตกนรกไปเหมือนกันนั่นแหละมันก็ขนาดว่าสั่งสมบุญกุศลมาขนาดนี้ก็ยังต้องปฏิสนธิในอเหตุกะกาเนิดพันวัตตาทั้งหลายจะน่ากลัวสักเพียงใดเนี่ยนะแล้วก็แม้แต่เป็นมนุษย์ท่านท่านไม่เกิดเป็น พระมหาบุรุษเนี่ยนะไม่เกิดเป็นคนพิการมาแต่กําเนิดอย่างหนึ่งนะไม่เกิดเป็นกระเทยไม่เกิดเป็นคนบ้าใบา้บอดหนวกเป็นต้นมาแต่กําเนิดแล้วก็ไม่เกิดเป็นสตรีและไม่เกิดในท้องของทาสีแต่ไม่ได้ปฏิเสธจันทานก็ยังเกิดเป็นจันทานทั้งหลายพวกที่เรียกว่าเห็นปั๊บต้องเอาน้ําล้างตานะแสดงว่าอาดีตท่านก็อากุศลเนี่ยนะหมายมาอยู่ในโลกนี้ก็ยังว่า เราอยู่กับคนบาปนานๆเนี่ยนะมันก็อดที่จะทาบาปร่วมกับเขาไม่ได้เจอคนดา่าน้อยนักที่จะทำใจไม่ดา่าตอบเห็นเขาโกรธเราก็น้อยนักที่ทําใจไม่โกรธตอบฉันใดขนาดผู้ที่สั่งสมบุญคุณงามความดีก็ยังต้องพลาดขนาดนี้เนี่ยนะอย่างเช่นชาตินี้ที่ท่านมาเกิดเป็นมาตังคะเนี่ยก็ด้วยแรงแห่งมานะที่ในอดีต มานะในอดีตความเย่อหยิ่งความพยองเป็นต้นกรรมเหล่านั้นในอดีตที่ได้ทําไว้เป็นเหตุให้มาเกิดในตระกูลที่ตกต่าเกิดเป็นจันทานแต่ก็เป็นจันทานตอนหลังท่านก็มีปัญญาก็ออกบวชโปร่งเล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นชดินมีความเพียรอันแรงกล้ามีนามว่ามาตังคะเป็นผู้มีศีลมีจิตมั่นคงเราและพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ที่ใกล้อยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่นม้ําคงคา เราอยู่ข้างเหนือน้ำข้างพรามเนี่ยอยู่ใต้น้ําพรามเที่ยวไปตามริมฝั่งแม่น้ําได้เห็นอาสมของเราข้างเหนือน้ําบริพาสเราด่าเราในที่นั้นแล้วแช่งให้เราศีรษะแตกถ้าเราพึงโกรธต่อพรามนั้นเราก็ถ้าเราไม่คุ้มครองศีลหมายว่าถ้าโกรธก็แปลว่าไม่คุ้มครองศีลเราแลดูพรามนั้นแล้วพึงทําให้เป็นนังขี้เท่าได้มองด้วยความโกรธเท่านั้นนะ เรีกว่าเป็นจุนวิจุนไปเลยครั้งนั้นพราหมณ์นั้นก็โกรธเคืองมีใจคิดประทุษร้ายแช่งเรามุ่งหมายจะให้ศีรษะแตกคำแช่งนั้นจะตกลงบนศีรษะของเขาเองเราช่วยเปลื้องเขาให้พ้นโดยควรเราตามรักษาศีลของเรามิใช่เราตามรักษาชีวิตในเพราะในการนั้นเราเป็นผู้มีศีลศีลอันนั้นก็เพราะเป็นเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองชะนี้แล พันเเนี่ยนะเป็นปกุณธรรมเป็นเครื่องที่จะชักนำช่วยเหลือเกื้อกูลให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนะมาตังคะอันนะมาตังโคโนามะนามีนะเนี่ยนะก็คือชื่อของท่านนี้มีนามว่ามาตังคะก็ เกิดในตระกูลมาตัางค้าศีลาวาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเพราะมีศีลบริสุทธิ์สมาฮิโตมีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิสรุปว่าชาตินี้ท่านได้ฌานสมาบัติในอดีตการ์พระโพธิสัตว์นี้บังเกิดในกำเนิดคนจันทานมีรูปร่างหน้าเกลียดอยู่ในบ้านคนจันทานนอกพระนครแสดงว่ากรรมที่ให้ผลก็ผลของอะไร เกิดในตระกูลต่ำจันทานก็ผลของการดูหมิ่นเหยียดย้มดูแคลนผู้อื่นไม่เคารพคนที่ควรเคารพเป็นต้นรูปร่างหน้าเกลียดก็เป็นผลของโทสะเป็นต้นเนี่ยนะยากเกิดมาในตระกูลยากจนก็เพราะว่าเศษของความตรนีบางอย่างเป็นปัจจัยท่านมีชื่อตามประกาศว่ามาตังค่าบัณฑิตโยมาวันหนึ่งในพระนครเมื่อประกาศ เล่นนักษัตร์ น, นนะก็คือเกรนะมหรสศพใช่เทศกาลสักอย่างหนึ่งขึ้นชาวเมืองโดยมากก็พากันเล่นนักษัตร์เริ่หญิงสาวของพราหม์คือลูกสาวพราหมมหาสารคนหนึ่งมีอายุ1 5บหปีมีรูปร่างสวยดู น, น, นะน่ะหน้าดูหน้าเลื่อมสายดุจเทพกัญญาเรียกว่าสวยเหมือนานางฟ้าจำแรงว่างั้นคิดว่าเราจะเล่น นักษัตว์เริกตามสมควรแก่สมบัติของตนแล้วก็ปกติก็ชอบเที่ยวนะกำลังวัยเที่ยวเลยเจึงบรรทุกข้าวของของบริโภคเป็นอันมากลงไปในเกวียนขึ้นเทียมรถนะด้วยม้าขาวตลอดพร้อมด้วยบริวารใหญ่ไปที่พื้นอุทยานหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าทิถิทิทมังคลิกาคือหญิงที่ถือการเห็นว่าเป็น มงคนเมื่อถือการเห็นว่าเป็นมงคลก็เอาการเห็นว่าเป็นอัปมงคลด้วยเหมือนกันได้ยินว่านางไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปที่รูปทรงที่ชั่วที่เรียกว่าอวะมงคลเลวร้ายมากเพราะถือว่าถ้าเห็นภาพเห็นคนจันทานเป็นต้นเนี่ยเสื่อมเพราะฉะนั้นนางจึงชื่อว่าทิฏฐะมังคลิกาเพราะฉะนั้นนางจะดูแต่ของสวยของงามเท่านั้นไปเห็นคนวันณะต่ำต้อยเป็นต้นเนี่ยทำใจไม่ได้เอาไปเกิดประเทศอื่นนะห้ามเกิดดินเดียเขาอย่างเงี้ยนะ ก็มีแม่บ้านของข้าราชการท่านผู้ใหญ่อังกฤษเนี่ยนะบอกว่าสมัยที่ที่อินเดียเป็นเมืองคึ้นอังกฤษเนี่ยพอมาถึงอินเดียแลาบอกโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเห็นภาพแบบนี้ขึ้นเขานั้น ก, นะก็ในที่สุดก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นจริงๆนะก็ได้เห็นภาพว่าโอ้นี่มนุษย์หรือนี่นะมนุษย์หรือนี่นะคิดวนะ่าเราอย่าพ้นจากตรงนั้นแล้วนะอย่าไปคิดนะถ้าอาหารยังอร่อยอยู่ก็อะไรนะ พอลงมานอกโรงแรมก็โอ๊ยไม่ได้ดีเลยนะแต่อยู่ในโรงแรม่าอาหารก็อร่อยผักก็กรอบเป็นต้นก็จะไปไหนจะไปไหนเสียเนี่ยนะว่าอาหารอร่อยก็ปุ๋ยมาจากแถวนั้นเละจะมาจากไหนครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยตื่นแต่เช้ามืดนุ่งห่มผ้าเก่าๆถือไม้เท้าเป็นไม้เท้าที่ทําจากไม้ไผ่ทําเป็นรูปเป็ดรูปนกรูปเป็ดน้ํา นะรูปนกเป็ดน้าถือภาชนะเข้าไปยังพระนครเห็นพวกมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นออกไปให้ห่างจึงเอาไม้เท้านั้นทําเป็นสัญญาเรียกว่าเตือนคนอื่นว่าห่างๆ ห, หน่อยนะข้าพเจ้าเป็นจันทานแต่ถ้าจะท่านอย่ามาเปื้อนข้าพเจ้านะกบอกว่าคนจันทามเนี่ยโดยรวมๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นวันนะที่ไม่เย่อหยิ่งไม่ลำพองไม่ถือตัวเรียกว่าต้องคอยหลบเลี่ยงคนอื่น เพราะว่าแบบอะไรนะเหมือนกับคนนอกกฎหมายว่างั้นคล้ายๆแบบนั้นนะเป็นที่รังเกียจเดียดฉันเป็นทุยดูแคลนดูหมิ่นของสังคมเนี่ยนะครั้งนั้นนางทิฏฐะมังคลิกาคือคือนางที่ถือว่าการเห็นเป็นมงคลอันบุรุษทั้งหลายของตนต ะ, อะนะของตนที่นําไปเสียงเอะว่าพวกท่านจงออกไปจงออกไปเห็นพวกจันทันก็ไล่นี้เลยนะ นางทิฏฐามังคลิกาพอเห็นมาตังค่าบัณฑิตในท่ามกลางประตูพระนครเรียกว่าตรงนั้นอ่ะตรงตรงประตูซุ้มประตูพอดีนะก็ถามมา น, นั่นเป็นใครนะเห็นรูปร่างแปลกประหลาดเกิดมาไม่เคยเห็นพวกคนใช้ก็บอกว่ามาตังค่าจันทานจ้าแม่เหมือนกันนะโอ้โหมาจันทานนะตระกูลมาตังค่าตระกูลต่ำที่สุดในเมืองนี้เหมือ น, น ก็เลยสั่งให้ยานกลับโดยคิดว่าเห็นคนเช่นนี้แล้วจะหาความเจริญได้มาที่ไหนวันนี้ถือว่าเสียหายตลอดวันนะนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนาว่าโอ้ยเสียหายมากนะสูญเสียมากเลยนะไปอัปมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยนะ <S <S พวกมนุษย์บริวารของนางที่ถามังคลิกาก็พากันโกรธว่าพวกเรานี่จะไปสวนก็หวังจะได้ของเคี้ยวของบริโภคก็เตรียมสุรายาเมาเป็นต้นมามากมาย ไอมาตังคะนี่มาทําอันตรายแก่พวกเราเสียแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงจับคนจันทานเอาก้อนดินคว้างจนมาตังคะบัณฑิตสลบแล้วก็พากันกลับไปนะถูกเตะถูกซ้อมถูกกลุมสกรมามซะจนปอบนึกว่าตายแล้วก็โยนไปไว้กองข้างขยะนะอันนี้ก็โทษของอะไรคือกรรมอันนี้จริงๆนะถ้าถ้ามองไกลหน่อยพูดพูดถึงกรรมของมาตังค่าบัณฑิตก็อดีต เคยเป็นคนที่ดูหมิ่นเยียดยามดูแคลนผู้อื่นเป็นต้นทำให้เกิดในตระกูลต่ำเพราะความโกรธในอดีตเป็นปัจจัยก็เกิดผิวพธุ์ไม่ดีแล้วก็ประโยคาวิบัติเนี่ยนะหมายความว่าเดินผิดช่วงหน่อยอากุศลกรรมเก่าก็เลยให้ผลเลยแหมไปเจอคนพานที่เจอแค่ครั้งเดียวนีสลบเลยนะสะบักสะบมเลยก็พอถูกรุมสกรรมนี่นันก็นึกว่าตายแล้วนะก็เอาโยนไปทิ้งไว้ที่หนึ่ง ไม่ชามาตังค่าบัณฑิตก็ได้สติลุกขึ้นเราลุกขึ้นก็ถามพวกมนุษย์ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาประตูเนี่ยเป็นของเป็นของทั่วไปแก่ทุกคนหรือหรือทําเอาไว้แก่คนพวกวันนะพราหมณ์เท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ตอบว่าโอ๊้ประตูนี้เขาก็สร้างไว้ให้ทุกคนนั่นแหละใช้มาตังค่าบัณฑิตก็คิดว่าพวกมนุษย์ทําเราผู้ไม่หลีกออกไปยังสุ ส่วนข้างหนึ่งในประตูที่เป็นสาธารณแก่ชนทั้งปวงให้ถึงความย่อยยับเพราะนางทิฏฐมังคลิกาเจียงบอกแก่พวกมนุษย์ที่ถนนแล้วก็คิดว่าเอาเถอะเราจะทำลายมานะของนางทิฏฐมังคลิกาก็ไปยังประตูบ้านของนางแล้วก็นอนด้วยตั้งใจว่าเราไม่ได้นางทิฐธมังคลิกาแล้วก็ไม่ลุกขึ้นเขาบอกว่าความตั้งใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ไม่สาเร็จไม่มี และในความตั้งใจอันนี้ก็สําเร็จแล้วก็ความตั้งใจของท่านมีกําลังมากหลังจากที่ไปนอนแผลอยู่หน้าบ้านตรงนั้นนะบิดาของนางที่ถามังคลิกาก็ได้ยินว่ามาตังค่ามานอนอยู่ที่ประตูเรือนก็กล่าวว่าพวกท่านจงให้กากระนิดหนึ่งแก่มาตังค่าบอกเอาไปให้ซักสตังหนึ่งสิเดี๋ยวเราหนีไปแล้วมาตังค่าก็เอาน้ํามันลูบไลสรีระแล้วก็จงไปเถอะ ก็คือบอกว่าไปเอาน้ามันลูปตัวซะไปนวดตัวนะคล้ายๆว่าถูกเขาเตะซสะสะบักสะบอมหมดก็เอาอะไรไปรูปตัวซะหน่อยมันจะได้หายบอบหายช้าก็กลับไปเธอเอาไปบาดนึงเหมือนมาตางค่าบัณฑิตก็กล่าวอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราได้นางทิฏฐามังคิกาแล้วก็จะลุกท่าไม่ได้ไม่ลุกหมายว่าถ้าได้นางมาเป็นเมียแล้วจึงจะลุกท่าไม่ได้ไม่ลุกครั้งนั้นพราหม์ก็บอกว่า พวกท่านจงให้สองกากรนิกมาศบาทรหนึ่งหาปะหนะหนึ่งสองสาจนกระทั่งให้เป็นร้อยเป็นพันกหาปณะามาตังคะบัณฑิตก็ไม่ยอมชนทั้งหลายก็ปรึกษากันอย่างนั้นจนอาทิตย์ตกตกเย็นเข้ามาแม่ของนางที่ถามมังคลิกาก็ลงจากปราศาสให้วงกำแพงมัน่นเรียกว่าอะไรนะให้ให้คนเอาม่านเนี่ยมาบังข้างๆแล้วก็เดินเข้าไปหากลัวคนจะเห็นใช่ไหมเข้าไปถึงต้นนางบอกว่าพ่อคุณพ่อมาตังค์้า จงยกเท่าไห้แกนางมังทิ่ถมังคาลิกาเธอเอาไปสองพันก็แล้วกันจนถึงก็ไล่ไปเรือเอาไปแสนหนึ่งมาตังคะก็ไม่ยอมรับเรียกว่าจ่ายเป็นแสนก็ไม่เอานอนอยู่อย่างเดียวเขาบอกว่าจะเอาลูกสาวถ้านอ่ะไม่เอาหรอกสตังว่างั้นแสนก็ไม่เอามาตังคะบัณฑิตก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมกินอะไรก็ไม่ยอมกินจะนอนให้มันตายถ้าได้แล้วก็จะลุกถ้าไม่ได้ก็ไม่ลุกก็นอนเนี่ยจนถึงวันที่เจ พวกมนุษย์มนุษย์ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงผู้คุ้นเคยกันกับลุกฮือประท้วงว่าพวกท่านจงให้มาตังคะลุกขึ้นหรือให้ลูกสาวไปเถิดอย่าให้พวกเราต้องพินาศไปเลยสมัยนั้นเขามีธรรมเนียมอย่างนี้ธรรมเนียมท้องถินว่าคนจันทานนอนตายอยู่ที่ประตูเรือนของผู้ใดผู้ที่อยู่ในเรือนเจ็ดชั่วตระกูลต้องเป็นคนจันทานไปพร้อมกับเรือนนั้นหมายค่ะว่าบ้านตรงนั้นอยู่ตรงกลางใะ่ไหมไป ตลอดซอยนั้นนะไปเหนือไปใต้เนี่ยเท่ากับ15ห้าหลังคาเรือนละเวกนั้นทั้งหมดเป็นจันทานหมดถ้าคนจันทานนอนตายที่ใดพระโพธิสัตว์ก็อาศัยไม้นี่แหละเป็นเครื่องประทวงกันเลยชนะเลยครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทิฏฐะมังคลิกาก็ให้นางทิฏฐะมังคลิกานุ่งห่มผ้าเก่าๆให้ใช้ของใช้อันจําเป็นของคนจันทานแล้วก็นํานางซึ่งร้องให้คร่ําครวญอยู่ไปหาไปหามาตังค่ากล่าวว่า เชิญท่านลุกขึ้นรับนางคาริกาในบัทนี้เถิดแล้วก็ยกลูกสาวให้แปลว่ายอมยกลูกสาวให้ก็ถือว่าดีกว่าตัวเองต้องไปเป็นจันทานแล้วก็พาครอบครัวอื่นๆเป็นจันทานไปหมดเนี่ยนะเสียลูกสาวคนเดียวก็ยังดีกว่าเสียทุกเรื่องเสียทุกอย่างไปหมดส่วนนางที่ถามมังคลิกาก็ยืนอยู่ข้างๆก็กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดมาตังค่า บ, บัณฑิตก็บอกว่าเรานี่เมื่อยเหลือเกินถ้าหากว่าจเจ้าจับมือเราให้เร า, เราลุกเราก็จะลุกนางก็กระทําอย่างนั้น จริงถ้านายชาดกเขาบอกว่าอกต้องให้ต้องอต้องแบกขึ้นหลังไปจึงจะเอาเหม น, นถ้าไม่ให้ขี่หลังถ้าไม่ไม่ให้ขี่หลังไปไม่ไปก็จะนอนอยู่นี่แหละนที่สุดก็ต้องอ้อนวอนก็ขี่หลังไปเลยกะแล้วก็ก็นี่นี่นนนแอบแอบไปนะก็ไปอยู่ที่ที่ที่หลบเลีกผู้คนพอไปถึงเรือนแล้วมาตังค่าบัณฑิตก็ไม่ทำการล่วงเกินเพราะการแบ่งชาติคือมาตังค่าบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่คนเลวโดย อัธยาศัยโดยอุปนิสัยและก็ไม่ใช่เป็นคนที่ต้องการความเปลือกกล้วนความเปื้อนปนความชั่วร้ายไม่ไม่มีอัธยาศัยแบบนั้นท่า น, นท่านก็อยู่ในสองสามวันอยู่ในบ้านสองสามวันรวบรวมกําลังนหายเจ็บหายป่วยแล้วก็คิดว่าเราจะให้หญิงสาวของพระ ม, มหาศานี้อยู่ในเรือนของคนจันทานของเราเอาเถอะบัดนี้เราทํานางให้เป็นผู้เป็นหญิงที่เลิศ ด, ด้วยลาบแล้วก็เลิศเลิศด้วยยศเนี่ยนะ ก็ตอนนี้ก็ปราบมานะได้หมดแล้วก็ถือว่าหมดเขี้ยวหมดเล็บแล้วแต่เอาเถอะเราจะช่วยให้นางเจริญกว่าเดิมให้เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าเดิมมาตังค่าบัณฑิตก็เข้าไปบวชแอบหนีไปบวชบวชแล้วก็ทำมาพิญญาหสมาบัติ8ให้เกิดภายใน7วันก็แสดงว่า โ, โหไม่คนไม่ธรรมดาจริงๆรู้อะไรมากมายเนี่ยนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่านี้กลับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะว่าเรื่องราวนี้ถือว่าเกิดไม่นาน แล้วก็ย่างลงที่ประตูบ้านของคนจันทานด้วยริดไปพอไปแล้วพอได้ริดแล้วก็เหาะกลับบ้านยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วก็เรียกนางทิฏฐมังคลิกาที่ร้องให้ว่าสามีเจ้าขาเพราะ็ะไรท่านจึงทําให้ดิฉันไร้ที่พึ่งแล้วนี้ไปบวชเซล่าอะไรบอกว่าแม่ยพอว่ามาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็แอบหนีไปเหมือนกันมาตังค่าบัณฑิตก็กล่าวว่าน้องหญิงเจ้าอย่าคิดมากไปเลยบัตรนี้เราจะเพิ่มยศให้ใหญ่กว่ายศเก่าของเจ้า แต่เจ้าพึงกล่าวในชุมชนว่าสามีของเราเป็นเท่ามาหาพรหมไม่ใช่มาตังคะไม่ใช่จันทานสามีของเราเป็นพรหมนะไม่ใช่จันทานะสามีของเราเนี่ยไปพรห ม, มโลกหลังจากนี้อีก7วันในวัน15บห้าค่ำวันเพ็ญสามีจะแวกมณฑลดวงจันทร์กลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็ไปหิมวันตัประเทศ นางทิธามังคลิกาก็ไปกล่าวอย่างนั้นแรกๆก็แปประกาศวันที่หนึ่งคนอื่นก็ว่าบ้าไปหมดนะว่าเพี้ยนไปแล้วเนี่ยนะจะอยู่กับคนจันทานจะเพี้ยนหมดเลยนะวันที่สองนางก็มาประกาศเองวันที่สามวันที่สี่เอ่ยคนก็เริ่มเอ่ยอาจจะจริงก็ได้มันแค่อีกวันสองวันในที่สุดท่านก็อยู่จนถึงวันที่เจ็ดคนก็มารวมกันพอวันเพ็ญพระโพธิสัตว์ก็ยืนอยู่ในที่ท่ามกลางท้องฟ้าแห่งจั น, มนทมณฑนเนรมิตรอัตภาพเป็นพรหม แวกจันทมณฑลทำกรุงพารณสี12โยอดและแคว้นกาสีให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันแล้วก็ลงจากอากาศวนอยู่เบื้องบนกรุงพารณสีสามครั้งนะก็เหาะให้เขาดูนะมหาชนก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วพรหมนี้ก็บายหน้าไปยังบ้านคนจันทาน พวกที่นับถือพรมก็ประชุมกันในบ้านคนจันทานตกแต่งเรือนของนางธิดามังคลิกาด้วยผ้าขาวของหอมดอกไม้เป็นต้นเหมือนเทพวิมานนะะเนรมิตจากบ้านคนจันทานเป็นวิมานในฉับพลันนะในครั้งนั้นนางธิดามังคลิกาก็มีฤดูพระโพธิสัตว์ก็ไปที่นั้นก็เอานิ้วมือลูปคลำ้ำนะที่ท้องเคาที่ท้องน้อยก็กล่าวว่านางผู้เจริญนางตั้งครรภ์แล้วจากคลอดบุตร ทั้งเจ้าและบุตรจักเป็นผู้เลิศด้วยลาบแล้วก็เลิศด้วยยศน้ําล้างศีรษะของเจ้าจาักเป็นน้ําอภิเศกของพระราชาทั้งหลายทั่วชมพูทวีตใครจะอภิเศกได้ต้องเอาน้ําล้างศีรษะไปเนี่ยนะน้ำอาบของเจ้าเป็นน้ำำําอมฤตผู้ใดรดน้ําที่ศีรษะผู้นั้นจะหายพ้นไปจากโรคทั้งมวลและจากพ้นจาก ก, ละกะาลกณีหมาว่าเป็นน้ําสะดอกเคราะห์อย่างดีน้ํามนต์อันวิเศษก็คือน้ําอาบ คนทั้งหลายวางศีรษะลงบนเท้าของเจ้าแล้วก็ไหว้จักได้คิดว่าจะต้องเสียพันหนึ่งหมายก็ว่าไปกราบเท้านะ่าต้องจ่ายพันหนึ่งค่ากราบเท้าถ้ายืนไหว้ในที่ฟังคําพูดได้ก็ต้องจ่ายร้อยหนึ่งค่าไหว้ไหว้พอเห็นเห็นพูดคุยกันได้เนี่ยต้องจ่ายร้อยหนึ่งถ้ายืนไหว้พอมองเห็นนู่นไกลๆหน่อยก็ต้องจ่ายกาหาปณะห น, หนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าประมาทเนี่ยนะคำสั่งอันนี้เป็นเคยกว่าเป็นคํา คำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเนะที่คนในยุคนั้นก็ถือปฏิบัติพระโพธิสัตว์ล้หลังจากสอนนางแล้วก็มหาชนดูก็เหาะกลับไปตามเดิมนะก็เหมือนกับพรมกลับแล้วพรมกลับพรมพรมาโลกแล้วพวกนับถือพรมก็ประชุมกันเชิญนางที่ถักมังคลิกาเข้าพระนครด้วยสั ก, การะใหญ่ให้นางอยู่ในพระนครนั้นด้วยความงดงามอันเป็นสิริมงคลอย่างใหญ่ให้สร้างที่อยู่ ให้นางเช่นกับเทพวิมานน้อมนําลาบสการะมากมายไปให้นางอยู่ณนะที่นั้นลาบสการะทั้งปวงได้ น, นะบุตรเป็นต้นเช่นกับพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ทุกประการสรุปว่ามีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะน้ำน้ำอะไรนะน้ำสระผมน้ามําสระผมอภิเศกพระราชาน้ําล้างตัวเป็นน้ําเป็นยารักษาโรค น, นะก็แสดงว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมค่าน้ำไอค่าน้าําสระผมกับน้ํา อา บ, น, อาบน้ําอาบนี่ก็โอ้หลายตังกราบเท้าก็ต้องจ่ายเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ยืนไหว้ห่างๆหน่อยก็ตั้งร้อยหนึ่งแล้วไกลๆเนี่ยพอมองเห็นก็หนึ่งกระหบับโอ้หลายตังนั่นเนี่ยก็สรุปว่าร่ํารวยเจริญอย่างเดียวนะพราหมณ์16กพัก็บริโภคร่วมกับบุตรของนางที่ถมมังคลิกาเป็นนิดก็คือตอนหลังก็ได้ลูกชายลูกชายก็เป็นผู้ที่เลิศมากนะพราหมณ์ประมาณหนึ่งพันก็แวดล้อมกุมานนั้นกุมานั้นก็พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่พราหม์ ก็ก็พระอัปกุมารเนี่ยนะก็เป็นคนที่เลี้ยงดูพรามจ่ายพรามเป็นอย่างดีพอเขานับถือมาลูกเนี่ยมานะยิ่งกว่าแมอ่อ่ะนะลูกชายคนนี้มีมานะยิ่งกว่าแม่อีกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุตรนี้เลื่อมใสผิดที่เสียแล้วนะก็คิดก็รักก็ลูกเราอะนะว่าลูกเราทำไมเป็นอย่างนี้ช่างเถอะเราจะให้บุตรรู้จักทักษินายะ บ, บุคคลให้รู้จักนาบุญก็ไปเที่ยวพิกขาจารย์ไปถึงเรือนของนางที่ถมมังคลิกานั้นสนทนากับบุตรนั้นแล้วก็กลับไป ทีนี้พอตอนที่ไปสนทนากับบุตรเนี่ยนะบุตรชายพอมองเห็นก็กล่าวว่าท่านผู้อยู่ป่าดงคนเขียนใจคล้ายปีศาจ ส, สกปรกสวมผ้าขี้ริ้วที่ได้จากกองอยากเยื่อที่คอคนร้ายท่านเป็นใครไม่ใช่นาบุญนะนะท่านไม่ใช่ทักษิณนายา บ, บุคคลท่านไม่สมควรแก่ทักษินาก็ก็เรียกว่าสนทนากันอยู่นานแต่ว่าตรงนี้เขาเล่ามารวบรัดก็สนทนากันอยู่นานเสร็จแล้วก็ เทพพ ย, ายดาก็อดทนต่อคําอนาจารคำคําศพประมาทต่อพระโพธิสัตว์ไม่ได้ก็บิดหน้าพราหมณ์ทั้งหมื่นหกพคนเหล่านั้นของและก็กูมารนั้นด้วยเรียกว่าหันหัวให้มือนเหมือนกับหัวกลับข้างเลยแหละนางที่ทำ ม, มังคลิกาเห็นดังนั้นก็ถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็มีบอกว่าคนจันทานมานางก็รู้แล้วว่าเป็นเป็นมาตังค่า บ, บัณฑิตก็ไปหาพระโพธิสัตว์แจ้งให้ทราบพระโพธิสัตว์กล่าวว่า เทพพยาดาอดกลั้นคำอาจารย์ของกุมาร น, นั้นไม่ได้จึงทำให้ผิดปกติไปแต่ว่าเจ้าจงเอาก้อนข้าวที่เป็นเดนนี้ใส่ลงไปในปะในปากของพรามเหล่านั้นแล้วความปิดผิดปกติเหล่านั้นก็จะหายไปจริงๆเนี่ยเขาถือมากเลยนะสมมติว่าท่านท่านไปบินทบาตได้อาหารพวกจันทฐานมาก็มากินกฉันฉันๆอยู่นางที่ถามมังคลิกา เ, าเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่มาถึงก็บอกว่าลูกเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ ท่านน่าจะสงสารลูกอย่าทำให้ลูกต้องเสียหายเลยก็บอกเออเอางี้ก็แล้วกันก็กินยังไม่หมดเนี่ยอาหารที่เป็นเดเนี่ยเ อ, เอาน้ําเทใส่บอกเอานี่มาให้เขากินแล้วพวกนี้ไปใส่ปากปากปากพวกนั้นเริ่มจะหายนะนางก็ไปทําตามนั้นเสร็จแล้วก็ความผิดปกติก็หายไปนางที่ทํามังคลิกาก็กล่าวกับบุตรว่านี่เนี่ยลูกในโลูกนี้ขึ้นชื่อว่าทักษินายบุคคลย่อมเป็นเช่นกับมาตางังค์ขบัณฑิตพรามเหล่านี้ไม่ใช่ ทักษินายะ บ, บุคคลดอกเป็นผู้มีความกระด้างด้วยมานะด้วยเหตุเพียงชาติเหมือนพรามทั้งหลายเพราะเป็นพรามแค่สาทยายมนเท่านั้นแลลูกจงทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษมีศีลเป็นต้นผู้ได้ฌานสมาบัติและให้นับถือพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายในที่นั้นเถิดนี่ก็ไอพวกพรามหกหม 0,000 ่นคนเนี่ยอายมากเลยนะที่รู้ว่าตัวเองไดกินน้ำของพวก ของคนจันทานก็เลยหนีไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยนะเรื่องราวก็เป็นสาเหตุให้ไอเมืองที่พรามณ์เหล่านี้ห น, นีไปอยู่นี่เสียหายมากนะนะก็บ้านเมืองนั้นน่ยล่มจมเหมือนกันนะพราหม66หกหนคนเหล่านั้นคือเพื่ที่บาปอากุศลหนา ม, มานะกล้าเนี่ยนะไอความที่ที่เป็นคนหลอกลวงโดยอัธยาสัยนี่ก็สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเขาหนีไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ไปเสี่ยมสอนพระราชา ไปเสียมสอนพระราชาให้พระราชาเนี่ยฆ่าคือมาตังค่าบัณฑิตเนี่ยถูกฆ่านะถูกพรามคนพรามไอหมื่นหันคนเนี่ยไปยุ่หแย่พระราชาอีกเมืองหนึ่งให้มาตัดคอพระโพธิสัตว์พระก็พระโพธิสัตว์ก็ถูกตัดคอหลังจากนั้นก็ฝนหอกฝนดาวก็ตกลงมาเนี่ยนะกลายเป็นป่าทีนี้หลังจากนั้นนะพูดถึงอีกตอนหนึ่งว่าพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชาติมัน ชาติมันนี้อยู่ในเมืองเมตะ เ, เวตเวตตะวดีแม้บววแลว้วก็ยังอาศัยชาติให้มานะจัดเป็นคนมีมานะกล้ามากพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะทำลายมานะของพรามนั้นให้ได้ก็ไปอยู่ในที่นั้นอาศัยอยู่เหนือกระแสน้าใกล้พรามนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราและพรามคนหนึ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้าคงคาเราอยู่ด้านด้านเหนือก็คือกระแสนเหนือน้าอ่ะนะ พราหมณ์ก็อยู่ข้างด้านใต้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็เคี้ยวไม้สีฟันบ้วนลงไปในแม่น้ําอธิฐานว่าไม้สีฟันนี้จงไปติดที่ชะตาของชาติมันเถิดไม้สีฟันนั้นก็ไปติดอยู่ที่ชะตาของชาติมันผู้กําลังอาบน้ําชาติมันเห็นไม้สีฟันนั้นก็ด่าว่าคนระยำเหมือนกันแล้วก็หนีไปอยู่เหนือกระแสน้ําด้วยคิดว่าคนการละกนีนี่มาจากไหนเราจะค้นหา ก, การลกณีนั้นเห็นพระโพธิสัตว์ถามว่าท่าน อยู่ชาติอะไรก็คือคนวันะไหนนะพระโพธิสัตว์บอกว่าเราเป็นจันทานชาติมันก็ถามว่าท่านบ้วนไม้สีฟันลงในแม่น้ําหรือก็ตอบว่าใช่แล้วเราบ้วนลงไปเองกล่าวว่าคนระยำาันคนจันทานคนกาละกนีนีท่านอย่าอยู่ในทีนี้ก็ด่ายกใหญ่ด้วยอำนาจของมานะเนี่ยนะแล้วก็ไล่ให้เป็นเนื้ออยู่ใต้กระแสน้ํา แม้พระโพธิสัตว์นี้อยู่ใต้กระแสน้ําบ้วนไม้สีฟันลงไปก็ทวนกระแสน้ำไปติดอยู่ที่ชะไดอีกัน้วติดที่ไหนไม่ติดติดอยู่ที่หัวเลยแหละชาติมันก็กล่าวว่าคนระยำหมังอันหาท่านอยู่ในที่นี้วันที่เจ็ศีรษะของท่านจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงอย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าพราหมณ์เที่ยวไปตามริมฝั่งได้เห็นอาสมของเราข้างเหนือบริภาษเราในที่นั้นแล้วก็แช่งให้เราศีรษะแตก ถ้าเราพึงโกรธต่อพราหมนั้นถ้าเราไม่คุ้มครองศีลเราดูพราหมนั้นแล้วพึงทำให้เป็นขี้เท่าก็ได้แตกก่ก็ไม่ทำะนะถ้าเราไม่คุ้มครองศีลใช่ถ้าไม่คุ้มครองศีลอะไรจะเกิดขึ้นนะศีรษะก็จะแตกก็ศีรษะจะแตกตามคําแช่งของพราหมนั้นไม่มีดอกเพราะพราหมนั้นเป็นคนโกหกจริงๆก็ด้วยอานาจมานะั่ก็สาบไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละ พรามนั้นกล่าวอย่างนั้นก็จะทำให้พระโพธิสัตว์กลัวพระโพธิสัตว์จะกลัวต่อความตายแล้วก็จะได้หลีกนีไปให้มันไกลๆนะจริงๆก็แช่งเขาพระโพธิสัตว์จะได้กลัวแล้วหนีไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระองค์บอกว่ายะทิสีลังนะโคปเยถ้าเราไม่คุ้มครองสีอธิบายว่า ถ้าเราถ้าเราไม่คิดว่าชื่อว่าศีลนี้เพึ่รักษาไว้โดยชอบไม่คำนึงถึงชีวิตเราจะต้องรักษาศีลโดยไม่คำนึงถึงชีวิตบทว่าโอโลเกตวานหั่งตระกระยังชาริกังวิยะถ้าหากว่าเราดูแลพระเออแลดูพรามเหล่านั้นพรามนั้นก็ทำให้เป็นขี้เท่าไปได้คือถ้าหากว่าเราในการนั้นไม่ได้ยินดีต่อพราม ถ้าเทวดาผู้เลื่อมใสรู้ความคิดของเราในขณะนั้นก็จะกําจัดพรามนั้นให้อนาให้เสียเป็นกี่เท่าถ้าพระโพธิสัตว์โกรธนะสมมตินะท่านไม่ต้องทําเองหรอกเดี๋ยวเทวดาก็จะทําให้หมดละเดี๋ยวเทวดาก็จะฆ่าให้เองเบ็ดเสร็จหมดในการนั้นเมื่อความไม่พอใจของพระองค์มีอยู่ทวยเทพทําความพินาศให้แก่พรามนั้นพระศ า, าสดาดุดว่าทําให้เป็นเหมือนกับพระองค์เอง ส่วนอธิบายเกี่ยวกะรายละเอียดว่าค่าด้วยฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ประเภทไหนเป็นต้นจะไม่อธิบายในหน้า326ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ถูกพราม์นั้นแช่งก็คิดว่าหากเราโกรธพราม์นี้ศีลของเราก็จะไม่เป็นอันรักษาเราจะทําลายมานะของพราหมณ์นั้นด้วยอุบายก็จะเป็นอันรักษาพรามณ์นั้นด้วยในวันที่7ก็ห้ามดวงอาทิตย์ขึ้น พวกมนุษย์พากันวุ่นวายเพราะดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นก็เรียกว่าเปลี่ยนระบบโคจรของโลกหมดเลยนะก็เลยเข้าไปหาดาบดทชาติมันถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือชาวเมืองนเดือดร้อนดาบดทนั้นบอกว่าไม่ใช่เราทําดอกแต่ว่าที่ริมฝั่งแม่น้ํามีดาบดทจันทานอยู่คนหนึ่งคงจะเป็นดาบดทนั้นทํากระมังพวกมนุษย์ก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ถามว่าพระคุณท่านไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือก็บอกว่าถูกแล้วชาวบ้านก็ถามว่าทเพาะอะไรอ่ะ ก็บอกว่าดาบ ท, ที่เป็นกุลประกศที่พวกท่านนับถืออุปถัมภ์อยู่ได้สาบแช่งเราผู้ไม่มีความผิดถ้าหากว่าดาบทนั้นมาหมอบลงแทบเท้าของเราเพื่อขอขมาเราก็เราก็จะปล่อยดวงอาทิตย์ขึ้นพวกมนุษย์ก็พากันไปไปขอร้องให้ชาติมันดาบทมาขอขอมาเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมก็ฉุดมาให้มามอบลงแทบเท้าพระโพธิสัตว์แล้วให้ขอขอมากล่าวว่า ขอพระคุณท่านจงปล่อยดวงอาทิตย์เถิดพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเราไม่อาจปล่อยได้หากปล่อยสีษะของดาบทนี้จะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเอาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระคุณท่านจะทำอย่างไรล่ะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าพวกท่านจงเอาก้อนดินเหนียวมาครั้นมนุษย์นำมาแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านจงวางดินเหนียวไว้บนศีษะของดาบทแล้วให้ดาบทเนี่ยนะลงไปอยู่ในแม่น้าอยู่ในน้าดาบทก็พอดวงอาทิตย์ขึ้นมา ก็ให้ด า, ดาบดเนี่ยมุดลงไปก้อนดินเหนียวเนี่ยพอรัศมีของดวงอาทิตย์สัมผัสเท่านั้นก็แตกเป็นเจเสียงฝ่ายดาบดก็มุดหนีไปมุดน้ำหนีเลยนะครั้งนั้นพราหมณ์นั้นก็โกรธเคืองมีใจประทุสร้ายแช่งเรามุ่งหมายจะให้ศรีรษะเราแตกคําแช่งนั้นตกลงบนศรีรษะของเขาเองเราเปลื้องเขาให้พ้นโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะพระพุทธศาสนาก็ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากโทษ เขาบอกว่าจริงอยู่คําหยาบอันเป็นคําสาบแช่งเป็นอริยุประวาาัติใดซึ่งดาบดได้สาบแช่งพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในมหากรุณาอันเป็นสันดานที่ได้อบรมมาแล้วเป็นอย่างดีด้วยศีลธรรมสัมปทาและทิฏฐิสัมปทาอันเปี่ยมด้วยสมาบัติพิหารธรรมนานาประการสําเร็จด้วยการอบรมบา ร, รมีหากดาบดนั้นม่ให้พระมหาสัตว์ยกโทษคําหยาบนั้น เป็นอันให้ผลได้สวยผลในปัจจุบันเพราะพระโพธิสัตว์เป็นนาบุญอันวิเศษและเพราะคำหยาเป็นอัธยาศัยของดาบทนั้นในวันที่เจ็ดกรรมนั้นจะสุกงอมให้ผลแรงแต่เมื่อพระโพธิสัตว์ยกโทษให้เพราะอะไรเพราะประโยค่าสมบัติใช่ประโยค่าสมบัตินีห้ามกรรมให้ถึงความไม่มีวิบากเป็นธรรมดา ก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมนี้เป็นธรรมดาของบา ป, ปรกรรมอันเกิดจากอริยุ ป, ประวาติที่จะให้ผลในปัจจุบันเพราะว่ากรรมที่ไปด่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่นับเนื่องว่าเป็นอริยะ น, นะอริยะเพราะว่าแปลว่าไม่มีโทษอริยะเพราะแปลว่าคนดีคนประเสริฐเนี่ยนะความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในกรุณาเป็นผู้ที่ได้อบรม มาด้วยคุณธรรมไม่ว่าอบรมด้วยศรรีลอบรมด้วยสัมมาทิฏฐิอบรมด้วยวิหารสมาบารธรรมทั้งหลายอบรมด้วยพรหมวิหารอบรมด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่เต็มเปี่ยมในพระโพธิสัตว์ทั้นถ้าหากว่าไม่ให้พระโพธิสัตว์อดโทษให้กรรมอันนี้จะให้ผลในวันที่เจ็ดนะทั้นคําที่ด่าพระโพธิสัตว์เช่นใดสิ่งเหล่านั้นก็จะตกมาสู่ตัวฉันนั้นทั้น อิยุประวาสนี่ถือว่าเป็นกรรมที่มีกำลังมากพระโพธิสัตว์ก็เลยใช้วิธีที่จะทำยังไงไม่ให้อะนะหรือีคนนี้ศีสะแตกว่างนั้นด้วยเหตุนั้นพวกมนุษย์วุ่นวายพากันนําดาบทไปหาพระโพธิสัตว์ให้ยกโทษเพิ่งทราบว่าแม้ดาบทก็รู้คุณของพระโพธิสัตว์จึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระโพธิสัตว์ดาบทนี่ก็รู้นะ การที่ก้อนดินเหนียววางบนศีรษะของดาบทนั้นการที่พระโพธิสัตว์ทำก้อนดินเหนียวนั้นให้ตกลงเป็นเจ็ดเสียงเพื่อเอาใจมนุษย์เพราะแม้บรรพชิตเหล่านั้นก็ย่อมเป็นไปในอำนาจของจิตโดยประการอื่นแต่ไม่ทำจิตให้เป็นในอำนาจของตนได้เพราะฉะนั้นพวกมนุษย์จึงยึดถือแม้พระโพธิสัตว์ก็ทาให้เป็นเช่นกับดาบทนั้น การทำของดาบทนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงถึงประโยชน์ที่พระมหาสัตว์ไม่ทำจิตให้ปทุสร้ายในดาบทนั้นแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นจึงตรัสว่าอนุรักษ์ขิงมะมะสีลังเราตามรักษาศีลของเราเป็นต้นเราตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษา ชีวิตเนี่ยนะก็บอกว่าในที่สุดก็ปราบมานะของดาบทคนนี้ได้นะดาบทคนนี้ก็ยอมรับถามว่าดาบทคนเนี้ยถามว่าชาติสุดท้ายคือใครก็บอกว่าพระติสะเถระผู้เป็นลูกของพระน้าพนานางนะเป็นลูกของพระนางอะไรนะคือพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยมีพี่น้องอยู่กี่คนนะอ่ะสุดโทธนะโตโตธนะเป็นต้นอ่ะก็มี ลูกคนหนึ่งะนะเป็นเป็นอานะถือว่าเป็นน้องของพระเจ้าสุโธธนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกชายชื่อว่าติดสะติดสะตอนหลังก็ออกมาบวชออกมาบวชก็คืออดีตของท่านก็คือชาติมันดาบดตอนหลังก็ฟังธรรมข้บรรลุเป็นพธาตุหันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์พระติดสะเหล่านี้ไม่ใช่แต่ชาตินี้แม้แต่ในอดีตพระองค์ก็ไปสงเคราะห์มาแล้วเพราะชาติหลังสุดก็มาเป็นลูกของของอานะของอา มันท ะ, ะนยับครั้งนั้นก็คือพระเจ้าอุทเทนนะพระราชสามพระเจ้าอุเทนที่ครองเมืองอะไรนะเมืองอุเชนีนะเป็นพระราชาเมืองอุเชนีมาตังค่บัณฑิตก็คือพระโลกกนาตอัธยาศัยของพระเจ้าอุเทนที่หยาบแบบนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาตินี้นะอดีตก็เป็นอย่างนี้แล้วนะแจริงชาตินี้ก็เป็นคนมีมานะมากนะก็จะไปเอาไอ้มดแดงเนี่ยไป จะเอามดแดงนีไปเคาะใส่พระอะไรนะปินโดละพาระทวราชะด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดไปเหงพวกมเหสีเข้ามเหยสีไปนั่งฟังธรรมจากพระปินโดละพาระทวาชะอยู่นะตัวเองก็สั่งจากเมาไปเห็นเข้าก็เลยโกรธมากไปหักกิ่งมดแดงนะไอ้รังมดแดงนี่จะไปเคาะใส่พระพระก็เหาะหนีไปแล้วอมดแดงนั้นก็มาเคาะใส่ตัวเองเข้านะเขาบอกแล้วก็ พร อ, องก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยนิสัยเป็นแบบนี้ไม่ใช่ชาตินี้แม้ชาติที่เป็นมรนทะมานพเนี่ยนะก็คือเป็นลูกของนางทิษฐ์มังคลิกาก็ทําตัวเย่อหยิ่งแบบนี้เหมือนกันคนเรานี่มันเป็นอัธยาศัยจริงๆนะใครที่ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพิ่งทาเคยทํามาแล้วเนี่ยนะเหมือนกับเรื่องเคยมีมาแล้วถ้าสมมุติถ้าเราจะไม่สบายใจเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งบอกโอ้เคยไม่สบายใจมันไม่รู้มากี่เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าซ้ําๆอ่ะนะี่ โดยรวมๆแล้วก็เหมือนกับทานข้าวเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เพิ่งทานนี่หรอกทานไม่รู้มากี่รอบแล้วอยงั้นนะทีนี้คุณคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ท่านทําอะไรบ้างเช่นการข่มมานะของนางที่ถมังคลิกาลได้ตามความประสงค์ของมาตังคบัณฑิตผู้มีชาติตระกูลต่ำถึงชาติตระกูลต่ำก็ข่มมานะความเย่อหยิงของนางได้ ต่อไปการบวชแล้วมีจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเป็นที่พึ่งของนางทิธามังคลิกาไปป่าบวชแล้วก็ยังฌานอภิญญาให้เกิดตามความประสงค์ภายใน7วันนั่นเองเก่งมากเลยนะ7วันก็คือจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่มีความอดทนที่สูงส่งมากที่ดูนะถูกทุบแล้วก็นอนอดข้าวตั้ง7จ็วันอนอนอยู่ได้ท่านก็มาอยู่พักสัก2สวันก็ไปเจริญฌานต่ออีกก็ได้แล้ว นก็เกว่าเป็นบุรุษอาชาในาเป็นคนที่หาได้ยากในโลกการกลับมาจากป่าแล้วก็ยังอุบายให้สำเร็จด้วยการให้นางทิ่ฐามมังคลิกาเลิศด้วยลาบแล้วก็เลิศด้วยยศนะนะเลิศด้วยลาบแล้วก็เลิศด้วยยศอันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์พริยาเหมือนกันนะเพราะว่านางทิ่ฐามังคลิกาก็ถือว่าเป็นพริยาต่อไปว่าการข่มมานะของมันยับมันมันทัพพยาโกมารก็ข่มได้จริง แล้วก็คมมาณะของดาบทชาติมันการช่วยชีวิตดาบทผู้ไม่รู้จักให้เขารอดตายไปการไม่โกรธดาบทผู้มีความผิดใหญ่หล้วงแล้วตามรักษาศีลของตนแล้วก็การกระทําปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็ในคุณธรรมของท่านในชาติที่เป็นมาตัางค่บัณฑิตจริงๆแล้วท่านมีบารมีทั้งสิอย่างอยู่รวมนะแต่ว่าเน้นพิเศษเพราะตรงนี้สันเสริญศีลบารมี